ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติทุกๆ ท, ท, ท่านเออในวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติกันทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยดูจากปัญหา ที่สอบถามกันมาก็แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเคยฝึกอนนาปนาสติกันเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้มาทำความเข้าใจให้ชัดขึ้นให้เราท่านทั้งหลายก็ตั้งใจในการที่จะฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าสับพังพิขเวอณาพิชานังอปริชานังอวิราชยังอุปั ช, ชหังอภ พ, พโพทุกขขยายะเป็นต้นพระบรมศาสดาตรัสว่าเมื่อบุคคลใดยังไม่อา จ, จะละตัณหาคือความหลงไหลข้างไครในรูปนามขันห้าเหล่านั้นด้วยปริญญา ตราบใดตราบนั้นเขาก็ยังไม่เหมาะสมเพื่อความสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏก็หมายความว่าบุคคลใดเนี่ยถ้ายังไม่สามารถ <c oughs> ก็คือยังไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดรูปนามขันห้าด้วยปริญญาทั้งสก็คือยาตาปริญญาการกำหนดรู้รู้จักลักษณะเป็นต้น ของรูปนามกัน5ตีรณปริญญาก็คือการไม่ได้ยกเอารูปนามกัน5เข้ามาประชุมลงสู่ไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ความเป็นอนัตตาปหานาปริญญาก็คือการละกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความลหลงไหลคลั่งไคลในรูปนามกัน5เมื่อบุคคลยังไม่อาจจะละตัณหาอันหลงไหลคลั่งไคลในรูปนามกัน5เหล่านั้นได้ด้วยปริญญา ทั้งสคือยาตาปริญญาติระนาปริญญาและปะานปริญญาตราบใดตราบนั้นเขาก็ยังไม่เหมาะสมเพื่อการที่จะสิ้นทุกข์ในสังสารวัตรแค่นั้นบุคคลที่จะมีความเหมาะสมที่ต้องการจะสิ้นทุกข์พ้นจากทุกข์ในสังสารวัตบุคคลนั้นก็จะต้องเจริญปริญญาทั้ง3ปริญญาทั้ง3ก็คือยาตาปริญญานี่แหละ คือการรู้จักรูปตามกัน5อย่างชัดเจนตีรณปริญญาคือการยกรูปนามกัน5ประชุมลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาปหานาปริญญาคือการละกิเลสได้เป็นสมุเทเฉทะปะหานอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อใดบุคคลใดสามารถรู้แจ้งแทงตลอดทำทั้งปวงกล่าวคือรูปนามกันห ด้วยยาตาปริญญาด้วยตีรณนาิญญาและปะหานปริญญาจนสามารถละตันหาอันหลงไหลครั่งไคลในรูปนามขันห้าเหล่านั้นได้ด้วยปปิญญาด้วยปะหานปรปญญาได้เมื่อนั้นแหละเขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมเพื่อความสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้เอาละเราท่านทั้งหลายเนี่ยปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ระเด็นก็เลยอยู่ว่า พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงก็ไว้เนี่ยก็แปลว่าเราปรารถนาพระโยคาวาจรใช่ไหมเราเรียกว่าโยคีแปลว่าผู้ประกอบความเพียรผู้ระดมความเพียรผู้ฝึกฝนเขาเรียกโยคีหรือโยคาวาจรก็หมายความบอกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกโยคะหรือโยคีวจรหรือโยคาวาจรเนี่ย ผู้มีสัมมาฉันธ์ะเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏทุกข์ในสังสารวัฏจะต้องทุ่มเทนะภาคเพียนอย่างจริงจังเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามกันห้าต้องทุ่มเทแล้วภาคเพียรอย่างจริงจังด้วยเพื่อจะได้ทุ่มเทก็คือประพฤติปฏิบัติเพื่อจะทําปริญญาทั้งสอย่างให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ย พุทธบริษัททั้งหลายนั้นจะต้องมีศรัทธายอมรับเอาปฏิบัติทาแนวทางการไปปฏิบัติอนเนื่องโดยองค์8นี่แหละเขาเรียกว่าอาริยะอัตถังที่กรรมมรรคเป็นแนวทางปฏิบัติให้ได้ในบรรดามรรคที่มีองค์8นะั้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกปัปปะคือความดำํำริชอบเนี่ยเป็นองค์มรรคประเภทปัญญานี่ก็เรียกปัญญาศิกขา สัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวาจา ก, รการกล่าววาจาชอบที่เว้นจากวจีทุจริตสีสัมมากรรมันตการงานชอบที่เว้นจากการยทุจริตสาสัมมาอาชีวคือการเลี้ยงชีพชอบที่เว้นจากการยทุจริตสาวจีทุจริตสีจัดเป็นองค์มรรคประเภทศีละสิกขาสัมมาวายามะความเพียรชอบเนี่ยเพียรในการที่จะออกจากบาป อกศุศลธรรมอันลามกสัมมาสติคือการระลึกชอบก็คือการเจริญอาณาปานาสติเป็นต้นสัมมาสมาธิก็คือการตั้งมั่นชอบก็คือการตั้งมั่นในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันนี้จัดเป็นสมาธิสิกขาหรือจิตตะสิกขาในองค์มรรคทั้ง8ประการนีถูกจัดส่งเคาะเข้าไว้ในสิกขานี่แหละสก็คือศีลปฏิปทา ก็คือว่าข้อปฏิบัติคือสิกขาคือศีลเป็นข้อฝึกฝนอบรมทำให้มีทำให้เกิดขึ้นสมาธิปฏิปทาคือจิตตะสิกขาก็ฝึกฝนอบรมเพื่อจะทำให้สมาธิคือความแนบแน่นแห่งจิตให้เกิดขึ้นปัญญาปฏิปทาคือปัญญาสิกขาข้อฝึกในการที่จะทำยานปัญญาให้เกิดขึ้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านิน ญ, ญานิกาปฏิบัตาก็แปลว่าข้อปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกนิน ญ, ญานิกาปฏิบัตาข้อปฏิบัติหรือหลักการปฏิบัติที่เป็นเครื่องนําออกจากวัฏทุก์อะไรคือวัฏทุกชาติคือการเกิดใช่ไหมมหันตภัยคือความเกิดชาระลาคือมหันตภัยคือความแก่ พยาธินี่เป็นมหันตภัยก็คือความเจ็บไข้มรณะนี่เป็นมหันตภัยก็คือความตายความโศกความร่าไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้เป็นมหันตภัยเป็นหันตะทุกของบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายฉะนั้นถ้าปรารถนาที่จะออกจากหันตภัยและมหมันตทุกเหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติตาม สีละปฏิปทาสมาธิปฏิปทาปัญญาปฏิปทาก็คือสีละสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาอันนี้เป็นนินยานิกปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นเครื่องนำออกจากมหันตภัยและมหันตทุกทีนี้ว่าในการปฏิบัติเนี่ยตามเส้นทางของมรรคมีองค์8นั้นต้องรู้จากประเภทของบุคคลหนึ่ง อุคติตัญยูหมายถึงบุคคลผู้รู้ธรรมกล่าวคือสัจจะสี่เพียงพอสามารถรู้แจ้งแทงตลอด <c oughs> เพียงฟังหัวข้อโดยโดยย่อเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาแทงตลอดได้เลยนะอันนี้เขาเรียกอุคติตันยูบุคคลเช่นเวลาฟังบอกว่าจัตตารสติปทานาสติปทานสี่ บอกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานภิกษุเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เขาฟังย่อๆแบบนี้เขามรรลุเลยฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่ใช่พวกเรานี่เขาเรียกว่าอกคติตันยูบุคคลบุคคลที่ฟังธรรมะย่อๆและแทงตลอดสัจจะสีได้เลย แทงตลอดทุกด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดสมูทัยด้วยการละให้หมดสิ้นจากกมลสันดานแทงตลอดนิโรธด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดอริยมรด้วยการอบรมทำเจริญให้มีให้เกิดขึ้นทันทีเลยสังเกตุไหมพวกเราเนี่ยเวลาฟังธรรมะย่อๆเนี่ยเราฟังแล้วไม่เข้าใจเลยนั้นฉะนั้นเราไม่ใช่อุคติตันยูคือบุคคลที่จะฟังอย่างย่อแล้วแทงตลอดได้ สองวิปปจิตันยูหมายถึงบุคคลผู้ฟังธรรมกล่าวคืออริยสีโดยพิสดารฟังยังไงอย่างที่มาเมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นสวดธรรมาจาักรกับปวัฒนาสูตรกันน่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาเรียกพิสดารเอวามสุตังเอกังสมายังปะกวาบารานในสียังวิหาราติใช่ไหมที่สวดกันใช่ไหมโดยที่นั่งอยู่นี้ใครสวรดธรรมาจักรกับปวันสูตรได้ไหม สวดได้ไหมไม่ได้เลยเอา้าวรัตนสูตสวดได้ไหมสวดได้ไหมอา้าวไม่ได้อีกเมตตาปริิศสวดได้ไหมกรณียเมตก ส, สริกรณียมาทากุศเรนาย น, ยานังอ่อสวดได้นะนั่นแหละก็เรียสวดพิสดารเอสวดมาหลายปีแล้วแทงตลอดอะไรบ้างไหม นี่อย่างนี้ไม่ใช่วิปปจิตัญญูถ้าวิปปจิตัญญูเนี่ยฟังพิสดารแบบนี้ก็แทงตลอดแล้วบรรลุเลยพ้นจากมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข้มหันตภัยคือความตายเลยฉะนั้นอย่างนี้ไม่ใช่กลุ่มเราอีกใช่ไหมฉะนั้นฟังพิสดารอย่างไรก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้แทงตลอดให้สังเกตดูนะ พระบรมศาสดาสแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ปายสิ ป, ปตนะมรรคทายาวันแฝงเมืองพระราณศีหลังจากได้ตรัสรู้ใหม่ๆพ ร, พระบรมศาสดาก็ดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธกยาโพธิมณฑ น, นสเสด็จไปที่ป่ายสิ ป, ปตนะมรรคทายาวันแฝงเมืองพระราศีระยะขนทางก็คือ18บแปดโยต คิดในปัจจุบันก็ประมาณ290กิโลเมตรพระองค์ย่างพระบาทเปล่าเนะเดินด้วยพระบาทเปล่าที่ไปโปรดพระปัญญวัคขีทั้งห้าเพราะพระปัญจวัคขีทั้งห้าเนี่ยอัธยาศัยของท่านเข้าสู่ยานปัญญาของพระศาสดาพระศาสดาก็จาริกด้วยพระบาทเปล่าดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไปโปรดปัญจวัคีทั้งห้า คือท่านโกนธัญญาวป่าพัทยามหานามะอัจฉิก็ไปเทศนาที่เราที่เราสวดกันนี่แหละพระเจากระสวดสาธยายเลยพระสุรเสียงของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ย <c oughs> กังวานมากเบื้องล่างลงไปยันอเวจีมหานรกเบื้องบนยันพรวกรพมเบื้องขวาง แล่นไปแสนโกดจักรวาลครั้งนั้นเราได้ยินไหมตอนเมื่อสองพันกว่าปีที่พระศาสดาแสดงธรรมจักรกโพระธนสูตรเนี่ยเราได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินพระธรรมพระเจ้าแสดงไหมคงจะได้อัตยาใสมึงเห็นไหมสัตว์นรกก็ได้ยินสัตว์เดรัจฉานก็ได้ยิน เปรตก็ได้ยินอสุรกายก็ได้ยิน <c oughs> แต่ได้ยินแล้วไม่รู้เรื <c oughs> ่องนี่ไม่ได้บรรลุประการที่สามคือในในายบุคคลหมายถึงบุคคลผู้แม้จะมีโอกาสได้ฟังทำอย่างย่อ ก, ก็แล้วอย่างพิสดารก็แล้วฟังไว้เถอะสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบสิบรอบฟังไป แต่ก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจสีได้แต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยเอามาฝึกฝนอบรมมาภาคเพียนมาพัฒนาให้ต่อเนื่องให้ติดต่อโดยการมณสิการเดินตามอาทิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งนี่ฝึกฝนเพียรพยายามนำพากระแสชีวิตของตอนเองที่ไม่มีศีลให้ศีลเกิดขึ้นจริงๆในชีวิต อาิจิตสิกขาจากจิตที่ว้าวุ่นกวนกวายทั้งหลายก็ฝึกให้มีให้เกิดขึ้นให้จิตนั้นเป็นไปกับสมาธิให้เกิดความตั้งมัน่นอธิปัญญาสิกขาฝึกฝนอบรมพัฒนาปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นจนเกิดญาณปัญญาเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็แทงตลอดสจัจจะได้ได้ความภาคเพียรด้วยความพยายามบางท่านก็เจวันบ้างบางท่านก็7เดือนบ้างบางท่านก็เจปีบ้าง บางท่านก็1ิปี20ปี30ปีบ้างอันนี้คือกลุ่มในยะบุคคลแต่ก็แทงตลอดได้ในปัจจุบันใพบนี้แหละยอมมั่นใจไหมว่าจะเป็นเรามั่นใจไหมมั่นใจไหมว่าเราจะต้องอยู่กลุ่มนี้แหละกลุ่มในยะบุคคนนี้แหละเอาที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยมั่นใจไหมว่าเราจะภาคเพียนพยายามประพฤติปฏิบัติ แล้วในที่สุดจักบรรลุได้ในปัจจุบันเพนี้แหละมั่นใจหรือไม่มั่นใจ <c oughs> มั่นใจไหมั้นถ้ามั่นใจก็ต้องทำดไูไม่ใช่แค่มั่นใจอย่างเดียวแต่การมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีว่าเราจะต้องภาคเพียรพยายามรึกผลพัฒนาขมักขม้น เพียรพยายามในการที่จะทำให้ติดต่อให้ต่อเนื่องไม่หยุดนะแต่ละวันวันคืนผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่กังวลเลยใส่ใจอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องไม่ทอ้อไม่ถอยตามสำนวนที่ท่านใช้ว่าบุกไปก้าวไปใจสู้ไม่ทอ้อยิ่งเจออุปสรรคยิ่งตื่นเต้นเจออุปสรรคก็บอกนี้แหละเจอเวทีทดสอบความสามารถ เราจะฝึกฝนเราจะพากเพียนเราจะพัฒนาเราจะเพียนพยายามอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องไม่ได้ไม่เลิกว่ากันเถอะทำทุกวันฝึกฝนทุกวันเพียนพยายามทุกวันแล้วไม่ท้อด้วยยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคนี้แหละเป็นเครื่องวัดเราเป็นประเภทนี้ไหมเป็นไม่เป็นถ้าเป็นเออเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ ถ้ากลุ่มนี้สมมติว่าในปัจจุบันภพเนี่ยก่อนลมหายใจจะขาดก็ไม่ได้บรรลุจนปรงใจว่าเออเราไม่ได้บรรลุแล้วเนี่ยอันนี้ไปอยู่ในประเทศที่4คือปัทะปรามาบุคคลปัทะปรามาบุคคลน่ยจึงจะภาคเพียนพยายามยังไงแบบติดต่อต่อเนื่องจะเจวันเจเดือน7ปี30ปี40ปีจนลมหายใจขาดตายคาการประพฤติปฏิวัติเลยแต่ก็ไม่ได้บรรลุอย่างนี้เขาเรียกปัทะปรามาบุคคลเนะ แต่ถึงไม่ได้บรรลุก็สามารถที่จะเป็นวาสนาภาคียะเป็นปัจใจเป็นอุปนิสัยไม่ได้บรรลุในปัจจุบันนพบแต่ถ้าไปเกิดเป็นเทวดานะโยมนะไปเกิดในกลุ่มเทวดาถ้าได้เทวดาที่เป็นกัลยาณมิตรมีข้อมูลพระธรรมคำสอนเข้ามาสกิดแล้วมาบอกกล่าวภาคเพียนพยายามจะบรรลุนั่นแหละเป็นในในเทวภูมิจะบรรลุในเทวภูมิเพราะเป็นกลุ่มภาคเพียนพยายามอย่างแท้จริง ถ้าไม่บรรลุในเทวภูมินะถ้าเกิดว่าไปได้ยินเทวดาในเทวภูมิที่ท่านแสดงธรรมได้ท่านแสดงธรรมนะเช่นไปเดินเห็นพระท้าสกาัดเทว ร, ราชแสดงธรรมหรือไปเกิดในชั้นจาตัมหาราชิกาเท้าจาตัมหาราชกา็แสดงธรรมเพราะท่านเหล่านี้เป็นพระโสดาบันนะหรือไปเกิดในชั้นดาวดึงเท้าสกาัดท่านแสดงธรรมให้พวกเราฟังหรือไปเกิดชั้นในยามาใช่ไหม ก็เท้ายามมาเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมเพราท่านเป็นพระอริยบุคคลนี่หรือไปเกิดในชั้นดาวดุสิตาก็ไปเจออนาถาปิณฑิกาเสตถีท่านอนาถาปิณฑิกาเสตถียอมรู้ไหมตาไปอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นดุสิตท่านเป็นพระโสดาบัน หรือไปเกิดในชั้นนิมมานนรดีไปเจอนางวิสาขานางวิสาขาแสดงธรรมให้พวกเราฟังอย่างนี้มีโอกาสบรรลุหรืออยู่ในชั้นจารโตก็อาจไปเจอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เป็นพระเสด็จาวันใช่ไหมท่านก็ฟังท่านก็แสดงธรรมให้เราฟังอย่างนี้เป็นต้นยอมเคยรู้ประวัติของท่านของพระเจ้าพิมพิสารไหมรู้ไหมท่านเป็นพระเจ้าเพรนเดนในแฟนมาคต ถ้าไปเกิดในชั้นดาวดึงก็เอาเท้าสกกะก็เป็นพระสสดาบันเพราะท่านฟังส ก, ก่าปัญหาสูตรแล้วได้เป็นพระสสดาบันไปแล้วมีโอกาสไปฟังธรรมเหล่านี้นี่ภาคเพียรพยายามมีโอกาสจะบรรลุถ้ายอมไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะมีใครแสดงธรรมไหมพระเทวทัตจะแสดงธรรมให้เราฟังได้ไหมได้ไม่ได้ พระเทวทัตก็แสดงทำไม่ได้เพราะไฟมันร้อนมีแต่ร้องให้ได้ยินเนี่ยท่านก็ร้องเราก็ร้องใช่ไหมไปเกิดเป็นสตัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีใครแสดงทำให้เราฟังไปเกิดเป็นเปรตก็ไม่มีใครแสดงทำไปเกิดเป็นอสุรากายก็ไม่ได้ฟังทำามาเกิดเป็นมนุษย์อามานุษย์พันธ์ไหนฮะ เ, เกิดเป็นมนุษย์พันธ์ไหนดีไปเกิดที่อัร การนิฐานไม่ลบกันตลอดเลยใช่ไหมปากีสถานไม่ได้เลยแอฟริกาไม่ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นมนุษย์เดียวนี้มีข้อจำกัดมากว่าพุทธศาสนาอยู่ไม่กี่ยอมนะเนี่ยนี่คือปัญหาเอาละตอนนี้เรามีโอกาสในการที่มีโอกาสที่จะฟังธรรมไม่เหตุก็คือว่าแม้จะไม่อาจจะบรรลุธรรมหรือรู้แจ้งอริยสัจสีได้แต่การปฏิบัติตามแนวทางมรรคนี้ ย่อมสามารถปลูกมเมล็ดพันธุ์อันงอกงามกล่าวคือบารมีได้ตัวอย่างเช่นสัจจกานิครยอมจำได้ยอมเคยรู้ประวัติของท่านสัจจการิครนมะมยอมเคยรู้หมเอาไม่รู้เดี๋ยวพระเล่าให้ฟังนะท่านสัจจการิครนเนี่ยเจอพระเจ้าฟังในเรื่องของจูลสัจจกาสูตรและมหาสัจจกาสูตร ฟังอยู่สองครั้งฟังอยู่สองครั้งแต่ไม่ได้ฟังเหมือนพวกเราฟังนะฟังจบเลยคือไปสนทนาพระพุทธเจ้ายสนทนาถกปัญหาพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องยอมสนทนากับคนมิชฉาทิฏฐิอย่างท่านสัจจการนิครนรู้ไหมเพราะพระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาธิคุณและมีสัพพัญญุตยานรู้ว่าท่านพวกเนี้ย เมื่อสนทนากับเรากล่าวคือพระธรรคตแล้วท่านจะกลับเนื้อกลับตัวจะปฏิกรรมตัวเองใหม่จะปรับปรุงกายกรรมใหม่ปรับปรุงวจีกรรมใหม่ปรับปรุงมโนกรรมใหม่แก้ไขใหม่ปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองใหม่จะหันเข้าไปเคารพพระรัตนตรยัยแต่ฟังครั้งแรกเนี่ยท่านนั่งนิ่งหลังจากท่านไม่สามารถตอบปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วท่านนิ่งอยู่นั่นแหละ ไม่ยอมท่านมีมานะเยอะคนมีมานะาเยอะฟังทำยังไงก็นั่งเฉยๆอวดตัวยกตนชูตนเปรียบเทียบตนท่านเป็นแบบนี้แหละคิดว่าเรื่องอะไรเราจะยอมทั้งๆที่จมจนมุมหมดแล้วไม่สามารถคือทิฏฐิหมดกำลังแล้วแต่เหลือมานะเห็นไหมทีแรกมีทิฐิมากมีความเหม็นผิด เห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนบังคับบัญชาได้พระเจ้าก็ซักทุกมุมเลยเอาบังคับหน่อยสิท่านมีรูปชั่วตัวดำเนี่ยลองทำให้มันหล่อให้มันงามหน่อยสิผมเนี่ยลองทำให้มันกลับดำหน่อยได้ไหมฟันที่หักทำให้มันกลับคืนได้หรือไม่เป็นตน้นลองคอนโทรลลองบังคับที่เป็นตน้นก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมท่านก็นิ่งอะไรแต่เนี้ยไม่สามารถตอบพรสดาได้ นิ่งพระพุทธเจ้าถามไม่ตอบถามไม่ตอบเดือดร้อนถึงเท้าส ก, ก่าเท้าส ก, ก่ามายืนต่อหน้าว่าจะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยถ้าไม่ตอบจะทบหัวแน่ังีเลยก็ยอมตอบแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็กลับเนื้อกลับตัวเขาเรียกว่าปฏิกรรมตัวเองใหม่แต่ไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้านะ แต่ยอมหมดไหมยอมจากนั้นมาเนี่ยท่านกเวียนไหวาตายเกิดมาพระเจ้าปรินิพานแล้วท่านมาเกิดในยุคลังกาท่านมาเกิดเป็นเด็กคนหนึ่งตัวดำๆเนี่ยนะท่านชื่อว่ากาละพุทธลักขิตะที่แรกยิงชื่อกาละต่อมาท่านก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าไปบวชท่านก็เลยชื่อว่ากาละพุทธลักขิตาพอเป็นพระท่านจะไได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลย เห็นไหมนี่เขาเรียกกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มปัทะปาระมะเข้าใจไห้เล่ากลุ่มปัทะปาระมะแต่ฟังแล้วเนี่ยจากนั้นน่ะลากยาวไป200รปีคําว่าลากยาว200ปีไม่ใช่ท่านมีอายุ200ปีนะท่านเกิดตายเกิดตายนี่แหละแต่อัธยาศัยเนี่ยแปลว่าฟังแล้ว โยมจะตั้งใจฝังอัธยาศัยอย่างท่านสัจกะไหมถ้าไม่ได้บรรลุชาตินี้ชาติหน้าเรามีโอกาสชาติหน้าไม่ได้บรรลุชาติต่อไปมีโอกาสชาติต่อไปไม่ได้บรรลุชาติต่อไปต้องได้โอกาสแน่เพราะฝังอัธยาศัยบ่มเพราะบารมีได้เต็มเปี่ยมแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเฉยๆเราไม่ยอมฝึกฝนไม่ยอมเพียรไม่ยอมพยายามไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่เราเสียโอกาสไหมเราจะเสียโอกาสนะ ในที่สุดจริงท่านได้บรรลุพอบรรลุแล้วเนะี่ยท่านเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้ามากท่านสามารถเทศพุทธคุณเนี่ยถานี่นะพาราณาคุณของพระเจ้าเนี่ยสบสองชั่วโมงโดยไม่หยุดเลยเอย่ยอมสามารถสาธยายคุณของพระเจ้าได้ถึงชั่วโมงไหมอลองลุกขึ้นพาราณาคุณของพระเจ้าให้ฟังหน่อยทีจะได้ถึงสองชั่วโมงไหมชั่วโมงได้ไหม เอาไม่ต้องดูหนังสือเอาชั่วโมงหนึ่งได้ไหมพรารณาคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่คิดเรื่องอื่นเลยพูดปับป๊บปั๊ไปเลยสาธยายไปได้ไหมเอาสามสิบนาทีได้ไหมยี่สิบสิบนาทีเอาได้ไห้สิบนาทีพรารณาคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พรารณาพวมั่วนะแบบให้ถูกหลักถูกเกณฑ์นเนี่ยได้ไหมแม้พราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผ้าอรหันเป็นพวกไกลแยกกิเลสเนี่ย พอจะพาวนาให้ได้ถึง30นาทีหมห้เพราะมีนิดเดียวจบแล้วใช่ไหมหลักมีแค่ไหนก็ได้แค่นั้นเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่ไงบ่งบอกว่าตอนนี้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ฝังแน่นลงในกระแสจิตยังไม่กระแสชีวิตแต่บางคนเวลาพรนาวนาสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระเจ้าเนี่ยเขาเกิดปลามโมดเกิดปีติ เ, เป็นอย่างนี้นะ พระเจ้าปุกุสาตีเนี่ยเวลาท่านอ่านพุทธคุณเนี่ยแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ยพระปรมศาสสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ประสูติที่ลุมบินีวันพระองค์ตัดสรตว์นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณที่อุรุเวลาเสนานิคม พระองค์แสดงธรรมาจากให้เป็นไปนะปาอิสิปตัตนมุมฤคตายวันท่านไล่ไปตามลำดับนี้เนอะท่านเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดความสุขเกิดสมนัตและเกิดสมาธิตั้งมันได้เอาเราลองพระนาคุณของพระพุทธเจ้าดูทีใจตื่นเต้นบั้งไหมแล้วทำไมระลึกถึงคุณของพระบรมศ า, ศาสดาของตนเองทําไมจิตไม่ช่มชื่นจิตไม่พองสายจิตไม่อาถรรพ์จิตไม่ลาเริงเพราะอะไร เพราะศรัทธาอ่อนกำลังใช่ไหมงั้นตรงนี้ต้องปลุกเราไหมต้องปลุกเราตั้งเจตจํานงจงใจทำให้เกิดทำให้มีให้มีขึ้นตั้งใจอย่างมุ่งมัน่นเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อไม่หยุดถ้าอย่างเงี้ยชัดเลยใช่ไหมถ้ายิ่งฟังไปก็หงอยเหงาเศร้าซึมเศร้าส้อยงอกงวงอันนี้แปลว่า กุศลไม่เกิดนะฉะนั้นต้องเพียรพยายามที่จะต้องทำกุศลให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเั้นไหมท่านสามารถสาธยายได้สิบสองชั่วโมงมีพระราชาไปยืนฟังธรรมเนี่ยยืนตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยจนหกโมงช้าบะนมมือยืนฟังธรรมอย่างเงี้ยยอมว่าคนที่จะยืนฟังธรรมได้สิบสองชั่วโมงติดต่ออย่างนั้นเนี่ยแปลว่าต้องมีศรัทธาไมมีไม่มี กำลังสมาธิท่านดีไหมแปลว่าท่านต้องเข้าถึงพุทธคุณใช่ไหมยังเราไม่ได้ไดเนี่ยขนาดนั่งเนี่ยใช่ไหมเอาจะประนมมือฟังแบบให้จิตสดชื่นผ่องใสล่าเริงอาหารเอี่ยมอ่ อ, องพองแผ้วไร้มนทินจิตเป็นไปกับความสุขเป็นไปกับสมาธิตั้งมั่นติดต่อเนี่ยทำได้ไหมเอาแค่นั่งเนี่ยไม่ต้องยืนหรอ อันนี้ท่านยืน12บสองชั่วโมงฟังทำจากพระเถระนี่แหละพอพระเถระแสดงครบส2บสองชั่วโมงท่านสาธุอย่างดังอยู่ท้ายสลานูหนึ่งพระเถระมองไปก็บอกมหาวาพิศพระองค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่รออกมาแต่ชะตั้งแต่หกโมงเย็นยืนฟังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป็นนมมือฟังแบบนี้แหละ ก็พระเถระกษัตริทูบอกแม่พระองค์เนี่ทําสิ่งที่ทําได้ยากก็บอกว่าพระข้าแต่พระเถระยมไม่ใช่แค่ยืนบันนมมือฟังนะจิตของโยมไม่เคยส่งออกนอกเลยในขณะที่ฟังพระเถระสาธยายพุทธคุณโอ้โหพระเถระตื่นเต้นเน่ยสาทุยยอมทําได้ไหมเล่าได้ไม่ได้ ไม่ส่งจิตออกนอกเลยเนี่ยฟังทุกคำทุกคําพูดทุกถ้อยความเอาไม่ได้มาจะสาธยายเป็นบาลีและแปลและยอมมั่นใจว่ายอมสามารถจะฟังนิ่งต่อเนื่องไม่ส่งจิตออกนอกยอมทําได้ไหมถ้าทําได้มาจะสาธยายให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยวัดกันที่กําลังของสมาธิวัดถึงความมุ่งมั่น ว่าถึงความจงใจถึงความตั้งใจถึงความแน่วแน่ในการที่ปรารถนาที่จะลุ้นหลุดพ้นจากว่าจะักรจริงใช่ไหมเออที่ปรารถนาจริงๆในยุคนี้ยกําลังจิตของคนเราเนี่ยเขาเรียกกาลังใจเนี่ยกำลังของสมาธิกาลังของฉันท่าของมนุษย์ในยุคนี้อ่อนแอมากนีกุศลและฉันท่าก็อ่อนแอมากความรักความความรักในพระเจ้าไม่แข็งแรง ความรักในพระธรรมก็ไม่แข็งแรงความรักในพระสงฆ์ก็ไม่แข็งแรงยอมรักพระพุทธเจ้าเนี่ยมากกว่าตัวเองไหมหรือรักตัวเองมากกว่าพระพุทธเจ้าระหว่างตนเองกับพระพุทธเจ้าเนี่รักใครมากกว่ารักใครมากกว่ารักพระพุทธเจ้าหรือรักตนเองเอลองถามใจตัวเองดูทีรักพระพุทธเจ้าไหม รักหรือไม่รักกล้ามอบดวงใจถวายกับพระเจ้าไหมถ้ามีใครจะมาขอความรักจากเราบอกเรารักฉันรักคุณไม่ได้แล้วเพราะฉันได้มอบดวงใจดวงนี้ถวายเต๋อพรศ า, าสดาแล้วกล้าไหมกล้าที่จะคิดแบบนี้ไหมถ้ากล้าที่จะทำแบบนี้แล้วก็ตั้งใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยคนคนนั้นน่ะมีโอกาสบรรลุ ใช่ไหมเพราะก้าเด็ดดวงใจยื่นถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มที่แล้วเออตรงนี้ก็คือยอมต้องฝึกที่จะรักพระพุทธเจ้าจริงๆเรารักคนอื่นมานานแล้วแต่ทำให้เราผิดหวังหมดเลยนะเชื่อไหมเรารักสามีรักภรรยารักบุตร รักที่ดารักพ่อแม่รักบุคคลอื่นรักหมดแต่เชื่อไหมว่าบุคคลเหล่านั้นเน่ยยังความผิดหวังให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังแต่กล้าไมหมล่ะถ้ามีคนจะมาบอกว่าเนี่ยทาไมคุณไม่รักฉันบ้างเราบอกรักได้แต่ลองลองลองมานะ แต่ความรักที่แท้จริงน่นคือพระพุทธเจ้าแล้วถ้ามีใครมาบอกเราที่ค้านกับที่พุทธเจ้าบอกเราบอกไม่เอาหรอกถ้าคุณทาตามที่พุทธเจ้าบอกอย่างที่พุทธเจ้าบอกฉันจะรักคุณด้วยใช่ไหมฉันจะรักคุณนั่นแหละเพราะคุณตามตามพุทธเจ้าแต่ถ้าคุณจะบอกว่าระหว่างฉันกับพุทธเจ้าคุณเลือกใครเนะบอกฉันเลือกพุทธเจ้าฉันไม่เลือกคุณหรอก แต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับพระเจ้าเราก็เออเลือกที่จะอยู่กับคนได้ใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้มันชัดนี่ยมกล้ารักพระเจ้าไหมยล้าไหมจริงๆนะยอมรักอย่างแรงกล้าไหมในพระเจ้าเนี่ยมีความรักไหมรักอย่างนี้เขาเรียกว่ากุส่วนและฉันทะมันเป็นความรักความปรารถนาดี เป็นความกุศลละฉันทาเนี่ยเป็นกัตตุกกรรมยาตาฉันทะเป็นความรักเพราะเห็นว่าสิ่งที่ตนเองรักเนี่ยดีงามประเสริฐและเลิศที่สุดหาสิ่งที่ประเสริฐหาสิ่งที่เลิศหาสิ่งที่สูงสุดเท่านี้ไม่มีแล้วนานนักหนาจะได้ยินคำว่าพุท ธ, ธนานนักหนาที่คำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ใช่ไหม ฉะนั้นจึงรักเขตผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพุรธเจ้าน่บอกหลักการบอกข้อปฏิบัติที่จะนำพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้พ้นจากมหันตภัยและมหันตทุกข์ได้เราจรึงรักท่านแค่ไหมตรงนี้ก็คือว่าองค์ประกอบเนี่ยในการที่เราท่านทั้งหลายนี่นี่ย อกติตันยูบุคคลเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมฟังเพียงโดยหัวข้อโดยย่อก็กบรรลุได้วิปปจีตัญยูเนี่ยต้องฟังโดยพิสดารสามารถบรรลุได้เหมือนกันในยะเนี่ยฟังแล้วฟังอีกแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเดินตามสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีโอกาสบรรลุได้ในปัจจุบันภพแต่ถ้าปัฏฐาปรมา ถ, ถึงแม้ไม่ได้บรรลุแต่ก็สามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัย ที่ทำให้ตนเองนั้นบนรรลุได้ในภพชาติต่อๆไปเป็นต้นได้สรุปแล้วในปัจจุบันบุคคลสองยมพวกหมดไปแล้วอุกติตัญยูวิปจีตัญยูหมดแล้วเหลือสองบุคคลเท่านั้นคือในยะบุคคลและปะทะประมาบุคคลพอจะเข้าใจอย่างเราอยู่ในสองบุคคลนี่แหละทีนี้ ในชั้นของคำสอนมีคนถามปัญหามานะเดี๋ยวจะตอบซะเลยตอนนี้นะยอมจะถามอะไรถามเลยนะาการเจริญณ า, าปานสติเนี่ยเหมือนกันกับการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกหรือไม่เออตรงนี้คืออย่างนี้อา้าใครทำ พุทโธบ้างยกมือขึ้นสินบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใช่ไหมอ้ากี่คนเดี๋ยวดูหน่อยหนึ่งสองสามคือพุทโธเนี่ยเป็นในบทของคําว่าพุทโธเนี่ยเป็นพุทธคุณยอมเหมือนเราสวดคําว่าพุทธโธอ่ะในบทสวดมนต์ใช่ไหมเขาปแปล ว, ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพุทธัสสัพนั้นนะเพราะอัตว่ารู้อริยสัจสี รู้ทุกสมุทยัยนิรันดร์เป็นพันนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพันนามแปลว่าเป็นชื่อที่เรียกพระเจ้าที่เรียกคำว่าพุท ธ, ธะเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแท้แตลอดสัจจะสีทีนี้ในบ้านเราเนี่ยวเวลาเจริญดูลมหายใจเข้าออกครูบาอาจารย์รุ่นหลังก็เลยเอาไปประยุกต์เข้ากันว่าเอาละ ยังไงดูลมหายใจเข้าก็ให้กำหนดพุทธหายใจออกก็กำหนดโทเข้าใจใช่ไหมก็สอนกันอย่างนี้แหละแต่ถ้าถามว่าประเด็นประเด็นใจความสาคัญตอนนั้นเราทำอะไรเรากำหนดเราไปรู้ที่พุทธโทหรือรู้ที่ลมเข้าลมออกยอมรู้ที่ไหนรู้ที่ลมเข้าลมออกหรือรู้ที่พุทธโท ผ้าตถ า, าจารย์ท่านไม่ให้บอกท่านไม่สอนให้กำหนดพุดโทโธท่านสอนให้นับเพื่อกำหนดเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านหายใจเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองเข้าออกนับสแต่ไม่ใช่บีวนอยู่กับตัวเลขแต่ต้องเห็นลมกระทบเข้ากระทบออกกระทบเข้ากระทบออกเห็น แต่การนับเพื่อประคองไม่ให้จิตนั้นนะ่ะหลุดไปหลุดไปข้างนอกบ้างข้างนี้บ้างฉะนั้นการนับก็คือเป็นตัวช่วยเป็นตัวพยุงแต่ที่สุวนจริงก็ทิ้งองค์บริกรรมเข้าใจนะพอในบ้านเราเนี่ยครูบาอาจารย์มายุคหลังๆไม่เอานับแต่มาเอาพุทธโทไปกากับแต่พุทธโทเนี่ยถ้าว่าโดยกรรมฐานจริงๆแล้วไปเป็นพุทธานุสติเป็นกรรมฐานหนึ่ง ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่าอาณาปานสติเป็นอีกกรรมฐานหนึ่งเข้าใจยางก็คือสองกรรมฐานเป็นสองกรรมฐานอยู่ในคนคนเดียวกันถ้าถามว่าถ้าให้แนะนำจะแนะนำให้นับลมไม่แนะนำให้พุทธโธแต่ถ้าจะเจริญพุทธคุณ ก็ให้กำหนดพุทโธได้เอาวิธีการเจริญพุทธคุณเจริญยังไงเอาเจริญพุทโธเจริญยังไงก่อนคือต้องรู้ความหมายขององค์ของพุทธคุณทุกบทตั้งแต่คำว่าอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรบทใดบทหนึ่ง ต้องรู้ความหมายชัดเมื่อรู้ความหมายชัดแล้วแล้วอาจจะเด่นบทใดบทหนึ่งเข้าใจไหมบทนี้เด่นก็เอาบทนี้แต่ตอนนั้นไม่ได้ดูลมวิธีการเจริญพุทธคุณก็คือใช้การเพ่งพุทธรูปที่เรารักและศรัทธาที่สุดเช่นพุทธรูปที่ยูพุทธเนี่ยงามมากแล้วก็มองพุทธรูปอยอมมองเข้าไป มองระลึกระลึกจนพระพุทธรูปเนี่ยติดติดตาแล้วก็ประชมลงในใจเลยนะหลับตาลืมตาเห็นพระบบนะพุทธรูปสว่างชัดแจ๋วเลยเนี่ยทาแบบนี้นะเพราะสว่างชัดแจ๋วแล้วเนี่ยต่อไปก็มาระลึกไม่ต้องดูพระทธเจ้าแล้วใช่ไหมเพราะพระทธเจ้าอยู่ในใจแล้วเข้าใจยังพระพุทธรูปอยู่ในใจเราแล้ว ไปนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่สงบก็เพ่งในใจพุทธลูปนั่นแหละก็ระลึกพุทโธเป็นผู้ตัดสรุปอริยสัจสี่ตัดสรุปทุกโดยการกําหนดรู้ตัดสรุปสมูทัย้วยการละตัดสรุปนิโรธโดยการทําให้แจ้งตัดสรุปอริยมรด้วยการอบรมด้วยการเจริญระลึกไประลึกไปจนพระพุทธลูบหายคุณของพระเจ้าขึ้นมาแทนที่เขายาย่าง เห็นคุณเลยแทนพระพุทธรูปพุะทธรูปค่อยๆจางหายไปแต่คุณน่ะธรรมของพระพุทธเจ้าเด่นขึ้นมาแทนที่แล้วจิตก็เป็นสมาธิแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นแหละสงบนิวารธารรมได้นี่แหละเขาเรียกสาเร็จพุทธคุณเบื้องต้นพอจะมองออกไหมไที่พูดไปเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหม เออเป็นแบบนี้นี่เจริญพุทธคุณเจริญพุทธโธเป็นต้นแต่ละบทก็เอามาเจริญแบบนี้แหละต้องให้มีพระพุทธเจ้าติดใจก่อนแล้วก็ระลึกจนพุทธรูปหายแล้วคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแทนที่นั่นแหละสําเร็จพุทธคุณเป็นแบบนี้สงสัยไม่เคยทำเลยเนี่ยเคยมหมไม่เคยฝึกเนี่พุทธคุณเขาฝึกอย่างนี้นะอันนี้ตอไปแล้วอาานาปนาสติกับพุทธโธ นะอาณาปณะสติก็อยู่ในกรรมฐานหนึ่ง พ, พุทธคุณพุทธโธก็อยู่ในกรรมฐานหนึ่งแต่ถ้าใครสะดวกที่ทำแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าให้แนะนำก็จะแนะนำวิธีแบบนี้ตามคำสอนเลยนะจะไม่ประยุกเพราะมีมีวิธีการอยู่แล้วการดูลมหายใจ ที่ท้องพองเลยยุบเป็นอานาปานสติหรือไม่ไม่เป็นทําไมจึงไม่เป็นไอท้องเราไมเรียกคําว่าไอไม่ได้ท้องเนี่ยท้องที่หายใจเข้าหายใจเข้าเพราะสุดท้องจะพองเลยยุบเวลาหายใจเข้าหายใจเข้านี่ท้องพองรลยยุบท้องพองใช่ไหม หายใจเข้าก็พองพอสุดพองใช่ไหมแล้วพอหายใจออกท้องยุบั้มท้องก็ยุบจริงๆภาษาพม่าภาษาพม่าก็เรียกพองแดเป็งแดพองแดแดนี่เป็นปัจจุบันการแต่ว่าอยู่ พองอยู่ยุบอยู่ภาษาเดิมเป็นอย่างเนี้ยแต่เจ้าคุณธรรมเทียราสมหามุนีที่ท่านมรณาภาพไปเนี่ยท่านไปรับมาจากพมา่าท่านเปลี่ยนท่านเลยใช้คําว่าพองหนอยุบหนอ่อมั้ยจริงจมาจากคาว่าพองแดเป่งแดดนี่แหละเข้าใจอย่าง และวคำว่าอยู่เนี่ยท่านเลยมาเปลี่ยนเป็นหนอเดี๋ยวนี้ติดตลาดแล้วก็คือทั้งประเทศทำกันแบบนี้หมดแล้วอา้าวไม่ว่ากันอันนี้ถามใช่ไหมเนี่ยปัญหาถามมาก็เลยตอบการรู้นี่สำคัญไหมถ้าเรารู้ที่ไปที่มาเสียเราก็จะได้ออมันจะสว่างขึ้นนะความรู้สาคัญทีนี้ถามว่ากำหนดท้องพองท้อ ง, องยุบเป็นอานาปณะไหมบอกไม่เป็นถ้าไม่เป็นเป็นอะไร เป็นาธาตุกรรมฐานคือลมหายใจที่ท้องเนี่ยคือจริงๆในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอาการพยุงกับผักดันอยู่นะผักดันตลอดทุกจุดแท้จริงไม่ใช่มีแค่ท้องทุกจุดของร่างกายมีหมดมีอาการพยุงผักดันหมดทุกจุดแต่เราจะเห็นหรือไม่แค่นั้นเอง ยอมเชื่อไหมว่าที่กระหม่อมก็มีที่หน้าผากก็มีมีหมดแหละทุกจุดจะมีอาการพยุงผักดันผักผักเป็นระยะระยะแต่มันจะผักมากผักน้อยแค่นั้นใช่ไมมีทุกส่วนสัตว์ของร่างกายคือธาตุลมจะมีอยู่ทั่วร่างกายหมดอาการพยุงและผักดันและอาการเย็นและร้อนก็จะมีอยู่ทั่วกรัชกายทั้งหมดอาการแข็งอาการหยาบอาการหนัก อาการอ่อนเบาเรียบอาการไหลไหลและกาะกลมก็มีตลอดเลือดตีไหลตลอดนะไหลไม่ไหลไหลตลอดสรุปก็คือธาตุสี่เนี่ยจะมีอยู่ในร่างกายทั้งหมดนะีแต่ว่าอะไรจะเด่นแต่และบุคคลไม่เหมือนกันพอจะมองออกนะฉะนั้นถ้าถามว่าอาณาปานสาติกับยุบ ท้องพองท้องยุบเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมต้องตอบว่าเป็นไม่เป็นไม่เป็นนั้นเป็นอาการของธาตุปรากฏนะอาการธาตุกระดูธาตุที่พองยุบพองยุบถ้าไม่เป็นพองยุบเป็นอะไรชื่อกรรมฐถนก็อย่างที่บอกไว้ถ้าจัดเข้าไปก็อยู่ในประเภทธาตุก ร, รมฐถน ถ้าเรียกให้เต็มก็เรียกว่าจะตูธาต์ววัฏฐานแต่ไม่ใช่ดูแค่อาการพยุงและผักดันต่อไปก็ต้องดูรายละเอียดตามมาอีกเยอะอา้าวถามปัญหาหต่อนะนิยมถามมาความการุนเออมาต้องใส่แว่นนิดนึง ามาพยายามจะไม่ใส่แว่นกลัวยมว่าเออมานี่ไปไกยังสายตาเนี่ย ข, ขอความกรุณาพระอาจารย์สอนสาธิตการยืนการเดินและการดูลมจะต้องฝึกอย่างไร การเจริญอาณาปณสติที่บอกว่าเดินก็ให้ดูลมยืนก็ให้ดูลมนั่งก็ให้ดูลมนอนก็ให้ดูลมนี่นะเวลาเอีบอดยืนเดินเนี่ยยมเมื่อยมากรู้สึกปวดมันทุกมันทรมานมากนั่งเนี่ยจําเป็นต้องเดินแล้วเข้าใจใช่ไหมก็ลุกขึ้นในขณะที่ลุกขึ้นเนี่ยก็ยังดูลมอยู่แต่สังเกตตัวนะี้ในขณะที่เราเดินเนี่ยการดูลมจะไม่ค่อย ละเอียดเหมือนตอนนั่งเพราะเรายังจะต้องทํากิจการเดินด้วยใช่ไหมแต่ก็ยังบอกเห็นว่าเหตุผลที่ให้ดูลมในขณะเดินเพื่อจะได้ฝึกความคุ้นเคยย่อมอา จ, จะว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ทำสองอย่างพร้อมๆกันใช่ไหมในทํานองอย่างนั้นแต่ว่าใส่ใจอะไรมากกว่าใส่ใจลมมากกว่ารู้เข้ารู้ออกเห็นไหมจิตจะสงบ เหมือนยอมยืนขึ้นแล้วดูลมอ่ะให้สังเกตนะยืนขึ้นั้งทียืนสักพักหนึ่งยอมก็ดูลมเข้าลมออกดูเข้าดูออกเห็นไหมอาจจะไม่ดูละเอียดเหมือนขนาดยาบดนั่งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ไะขณะนี้เข้าขณะนี้ออกขณะนี้เข้าขณะนี้ออกแม้เดินไปก็เหมือนกันก็รู้เข้ารู้ออกอา้าแม้ทำอย่างอื่นไปนั่งกินอาหารกินไปก็ ไม่รีบไม่รีบรับประทานอาหารไปก็ยังมีการรู้เข้ารู้ออกถามว่ายอมจะสำรวมไหมถ้าทํางี้จะสำรวมหรือไม่สำรวมจักสำรวมด้วยกินอาหารไปเคี้ยวไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนเพราะเราปฏิบัติทุกียาบทนี่ใช่ไหมเคี้ยวไปด้วยก็รู้เข้ารู้ออกทําให้จิตมีความสดชื่นเบาผ่องใสล่าเริง จิตผ่องใสไม่ใช่ซึมๆนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเครียดถ้าซึมถ้าหงอยถ้าฟุ้ง ไ, ลไวลาวแปลวผิดทางกูสอนจะต้องล่าเริงผ่องใสยิ้มแย้มไม่ใช่มานั่งอมทุกข์ไม่ใช่จะต้องผ่องผู้ปฏิบัติยิ่งปฏิบัติยิ่งพ่องยิ่งผ่องใสฉะนั้นเวลานอนก็เหมือนกัน ก็ดูลมไปเรื่อยดูดูดูไปจนก็ค่อยแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็หลับแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาแทนที่จะรีบลุกดูอะไรก่อนดูลมต่อแต่ไม่ใช่ว่าเ็าตีละครั้งทำวาดคุญเวยเสร็จแล้วบอกทำไมไม่ลุกมาบอกฉันดูลมไม่ใช่นะแปลว่าก็มาตามเวลานั่นแหละเห็นไหมแล้วต่อไปจะกลายเป็นคนที่มีกำลังของสมาธิดีมาก อะไรที่ระลึกไม่ได้ก็จะระลึกได้เร็วแล้วชัดมากแล้วว่องไวมากเพราะจะผู้ถามปัญหาพอจะทำได้ไหมยากไหมใครถามปัญหาเรื่องการยืนเดินนั่งนอนและดูลมใครมีคนถามไม่มีในนี้เลยไม่มีอ่ะไม่มีตอบแค่นี้พอแล้วเท่านั้นอา้า ปัญหาต่อไปนะหายใจเข้ายาวและสั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดไม่ใช่เอาไม้บรรทัดวัดมันมันยาวไปกี่ฟุตกี่นิ้วไม่ใช่นะแต่หายใจเร็วเนี่ยเาเรียกว่าสั้นหายใจช้าเนี่ยเขาเรียกว่ายาวเอาการเวลานี่แหละเป็นตัววัด ยอมหายใจเร็วหรือช้าเร็วหรือช้าช้าเนี่ยเขาเรียกอะไรยาวหรือสั้นเออยาวเร็วหรือช้าฮะยาวหรือช้าหรือเร็วช้าเรียกว่ายาวหรือสั้นยออยาวออกกับเข้าไหนยาวกว่ากัน ออกเป็นนึกตั้งนานินไว้เนี่ยเออตรงเนี้ยต่อไปเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปลมหายใจจะสมดุลและจะเป็นคนที่นั่งไม่โยกไม่ครองคืออย่าลืมนะว่าการจักกายของมนุษย์ที่สามารถพยุงตั้ง ต, งตรงได้เพราะอะไรพยุงอยู่ธาตุอะไรพยุงอยู่ธาตุลมลมมันมีหกชนิด ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนเคยเป็นไหมเคยไม่เคยลมที่มันวิ่งขึ้นเบื้องบนเคยไม่เคยเคยเลอะไหมเคยไม่เคยนั่นแหละเคยปวดศีรษะไหมลมที่พัดลงเบื้องล่างขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเคยไหมเนี่ยไง ล, ลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลำไส้ ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ทำให้เคลื่อนไหวเอียบวต่างๆได้แล้วก็ลมหายใจเข้าแล้วออกฉะนั้นธาตุลมเหล่านี้เขาทำกิจในการพยุงเวลาหายใจเข้าหายใจออกมีผลมีผลต่อร่างกายหมดเลยฉะนั้นผู้ปฏิบัติต่อไปเนี่ยเวลายิ่งกำลังของสมาธิมีกำลังมีความสมดุลมากขึ้น น่กเข้าจะเป็นคนที่นั่งก็ตัวตรงแล้วนิ่งแล้สงบไม่นั่งหยิกหยิ่งงอๆงอจะเป็นคนนั่งแล้วผ่องใสแล้วล่าเริงดูไม่ยากดูนักปฏิบัติที่เจริญอาณาบาณาสติหรือไ่เจริญเนี่ยดูดูการยืนการเดินการนั่งจะเป็นคนที่มีเอียบทที่สมดุลเพราะฝึกมาดีเข้าใจไหมถามว่า กุศลละจิตเนี่ยเวลาฝึกดีแล้วคุณภาพจิตดีแล้วเนี่ยบุคลิกภาพมันออกมาดีด้วยนะเอาอย่างดูดูกลุ่มนักปฏิบัติแต่ละท่านเนี่ยดูก็รู้ว่าฝึกจเจริญสมาธิกันดีหรือไม่ดีผู้ที่ฝึกวนมาจนชำนาญเนี่ยมองปุ๊บเนี่ยอ่านออกแล้ว อ่านสถานการณ์ออกถ้ายิ่งคุยด้วยแล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยแล้วจะรู้ทันทีอ๋อท่านวันนี้ฝึกจิตมาดีไม่ดียังไงเพราะบุคลิกภาพจะออกมาจากคุณภาพของกุศลอกุศลในใจนี่เป็นอย่างนี้งนั้นตรงนี้ก็คือว่ายาวและสั้นตัดสินมีอะไรเป็นเครื่องตัดสิน กำหนดแต่ละคนไม่เท่ากันนั้นถูกต้องแต่เราจะรู้ว่ายาวหรือสั้นเพราะอนุภาพเป็นการหายใจเร็วและช้านี่แหละทีนี้การปฏิบัติหรือการเจริญอาณาปานสติเนี่ยลมหายใจเบื้องต้นเนี่ยจะหยาบๆก่อนแล้วจะค่อยๆละเอียดลงละเอียดลง บุคคลที่มีลมหายใจละเอียดตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรค่อนข้างเยอะเพราะลมมันจะหายบ่อยใช่ไหมบ่อยไหมอาที่นั่งๆอยู่นี้ลองยกมือที่บุคคลที่มีอุปสรรคมากเลยเวลาดูลมหายใจเข้าออกอึดอัดคับค้องไม่สะดวกมีไหมยกมือที่ จเจริญแล้วรู้สึกไม่เหมาะดูแล้วไม่ถูกกับอธัธยาศัยเราเลยมีไหมมีไม่มีอเพราะอะไรว่ามาทำแล้วเราเราไม่ไม่เหมือนกับไม่ไม่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยค่ะจะแบบบางทีก็จะแบบหายไปเลยหรือบางทีก็แบบแบบอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อแต่ก่อนยอมเจริญแบบไหนมาคือ ทำหลายอย่างค่ะตอนแรกก็สัมมา阿拉หังเนี่ยเสร็จแล้วก็มาลองพุทโธสัมมา阿拉หังนี่ก็ก็ก็พอได้ค่ะแต่พุทโธนี่ไม่ได้แล้วก็มาพองยุบมคะค่ะก็ออพองยุบเนี่ยคือคือได้มากที่สุดแต่ตอนหลังก็ก็มาดูแบบลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่แต่ไม่ได้กําหนดตรงจมูกหรืออะไรตรงเนี้ยคือจะมากําหนดแถวแถวช่วงอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยคือปัญหาเดี๋ยวบอกใหม่คืออย่างนี้นะ การเจริญอาณาปณะสติเนี่ยต้องดูนะที่จุดเดียวคือจุดกระทบอย่าไปดูหลังจังนั้นออกมาเพราะว่าถ้าตามลมนะที่อย่างที่ยอมทำที่ตามลงไปเนี่ยตามเข้าตามออกจะอึดอัด จะอึดอัดทันทีคือจะจะจะไม่ไม่ไม่ได้ตามนะคะคือรู้รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกแต่แจุดจะไปอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละเขาเรียกตามคือทำแบบนั้นแล้วจะจะนิ่งจะนิ่งกว่าดูตรงจมูกกคืออย่างนี้ก่อนนะวิธีฝึกเนี่ยเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไหมค่ะตรงนี้ก่อนเนาะ วิธีคิดถ้าเชื่อมั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อไหมว่าอาณาปานาสติสมาธิเนี่ยที่พทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงเชื่อไหมค่ะพทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้เนี่แสดงว่า พระพาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วเนี่ยย่อมยางบาปอักษรธรรมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเนี่ยให้สงบไปโดยพันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูการยางฝุน่นละอองที่พุ่งขึ้นให้สงบราบคาบชั้นนั้นถ้าเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยประเด็นมันก็เลยอยู่ว่าเออเราจะทําตามที่พระพุทธเจ้าบอก แล้วพระพุทธเจ้าบอกอยังไงพระุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในประเภทกรรมฐานนั้นอาณาปานาสติกรรมฐานนี้เป็นยอดของกรรมฐานและเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษเป็นเครื่องอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันของพระุทธเจ้าเป็นเครื่องอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันของพระัาเจกของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขสบายในชีวิตของพุทธสาวกทุกองเอาละสทีนี้ทีนี้ที่เราทำอึดอัดเนี่ยชะลอยว่าต้องตั้งสมมติฐานอย่างนี้เลยนะชะลอยว่าเราคงไม่ทำไม่ถูกต้องตามที่ผู้องค์ทรงบอกแน่นอนคงอย่างนั้นนะคะเออถ้าตั้งหลักอย่างนี้ได้ทีนี้จะชัดแล้วบอกว่า อานาปณะสติเนี่เป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้าทรงใช้แทบตลอดเวลาแม้ในคืนวันตรัสรู้พระองค์ก็ทรงใช้กรรมฐานนี้แหละเป็นบาตรแห่งการบรรลุญาณต่างๆในปฏิสัมพิธามาักท่านแสดงบอกว่าสัพพะสมาธิภาวนาสู จ, จะสัพพะสัพพันยุ โพธิสัตตานังโพธิมูเลอิมินาวะสมาธิมาสมาหิติตานังยะถาภูตาวะโพธาโตอายะเมวาสมาธิภาวนาประทานาบอกว่าในบรรดากรรมฐานทั้งหมดสมาอาณาปานาสติสมาธิภาวนานี่แหละเป็นประธานคือเป็นหลักใหญ่แห่งการปฏิบัติ ของพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ทุกพระองค์ตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะของพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพราะพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ทุกพระองค์มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิคืออาณาปานาสติสมาธินี้แหละจึงได้รู้แจ้งแทงตลอดสัพพยุตยานที่ต้นโพธิพฤกษาอะไรต่วเนี้ยนะเพราะเรา โอ้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่กรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานของพ่อเป็นมรดกของพ่อเราเป็นลูกเนี่ยพุทธบริษัทสี่เนี่ยเป็นลูกของพุทธเจ้านะภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาเมื่อทรัพย์ของพ่อมรดกของพ่อเนี่ยลูกมีสิทธิใช้ไหมมีสิทธิใช้ฉะนั้นแสดงว่า เราเดินเข้าสู่ช่องทาง<ช>ไม่ตรงแน่นอนเราจึงอึดอัดเพราะพ่อบอกไว้นี่ว่าอาณาปณะสติเนี่ยจเจริญแล้วจะสงบแล้วจะ ป, ประณีตแล้วจะสดชื่นค่ะแต่คนนี้พอพอทาไม่ได้แล้วก็<ะ> ก, ก, ก็จะคือจะจ ะ, จะไม่อยากทาแล้วก็จะคิดว่าอันนี้คือไม่ถูกจริตกับเราอย่างนี้ค่ะก็เลยก็เพราะเราตัดสินใจเองไง อย่างนี้คือต้องต้องพยายามทำทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอคะคืออย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าอนาปานสติเนี่ยจะถูกกับเราหรือไม่ถูกเนี่ยฝึกทุกวันให้ครบสองปีแล้วมานั่งคุยกันวันหนึ่งสาม้อยสิบห้าวันฝึกทุกวันวันนึงละสองบัลลังสองบรรลังนี่เท่าไหร่ สามชั่วโมงต้องฝึกแบบในในรูปแบบด้วยใช่ไหมคะแบบฝึกแบบจรก็คือต้อง<ม>ฟังให้เข้าใจก็เหมือนยอมจะไปหัดขับรถเนี่ยยอมต้องฟังคาอธิบายก่อนไหมค่ะเออเหมือนกันอันนี้ยอมบอกว่าพอรู้เอากาหนดลมยอมไม่ฟังอะไรอีกเลยอะ่ะก็กหนดลมยอมไปกาหนดตรงนี้ไปกาหนดตรงนี้เงี้ยแล้วจะได้อะไรในตรงนี้ พุทเจ้าบอกให้กำหนดตรงนี้ยอมก็วิ่งไปตรงนี้แล้วยอมใหญ่ไปอยากเห็นเกินไปสิคือจริงๆไม่ได้อยากเห็นแต่คืออยากนิ่งแต่ก็เหมือนกันคือก็คืออยากเหมือนก <นะ S 2> ันค่ ะ, ะ, คะเต็ไมไปว่าหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไว้ว่ามามามาแนะนำในครั้งนี้มาพาปฏิบัติในครั้งนี้เนี่ย อามาจะต้องถามพวกเราว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไหมและทุกคำอามาจะไม่พูดลอยๆอามาจะไม่เอาความเห็นของตนเองไปใส่เพราะมันอันตรายเพราะหนึ่งอามาต้องออกตนเองก่อนอามาไม่ใช่สัพพัญญูแต่พระพุทธเจ้าจะเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงแทงตลอดสัจจะสี่ จานั้นออมาก็เอาคำพูดของพระเจ้าเนี่ยมาถ่ายทอดมาบอกโยมอันไหนไม่ใช่ออกมาก็บอกไม่เอาคแค่นี้แหละใช่ไหมเออเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะยกตัวอย่างเช่นยอมว่าไก่เนี่ยเอาพอเอาเพชรนินจินดาไปโรยก็ไว้กับข้าวเปลือกไปโรยไว้ไก่ไมันจะจิกอะไรข้าวเปลือกเพราะอะไรก็คุ้นเคยกันเพราะเขาคิดว่านั้นเป็นประโยชน์กับเขาใช่ไหมค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราไม่อาจจะไม่เคยเข้าใจว่าอาณาปณะสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพ่อเป็นมรดกของพ่อที่ฝากไว้ให้พุทธบุตรทั้งหมดเอาแต่วันนี้ยอมได้ยินแล้วอย่างเนี้ยยอมจะต้องเพียรพยายามไหมจะต้องเปลี่ยนความ ค, คิดตัวเองใหม่จากการที่ไม่ชอบยอมต้องเปลี่ยนว่าเออตอนนี้แสดงว่าตาเราเนี่ย มันมันไม่มันยังไม่สะอาดมันมีอะไรปิดบังแน่นอนมันมีอะไรปิดบังแน่นอนกิเลสมันบังตาบังใจเราอยู่หรือไม่เพราะเรายังไม่เคยได้ยินว่าเออกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่พูุทธเจ้าทรงแทงตลอดใช่ใชและเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าบอกไว้แบบนี้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาณาบานาสติกกรรมฐานนี้เป็น เวลาจเจริญเนี่ยในบรรดากรรมฐานทุกกรรมฐานเนี่ยมันยากทั้งนั้นแหละยากทั้งหมดเพราะเป็นขั้นของการฝึกหัดขัดเราจิตของตนเองเพื่อเข้าถึงสมาธิระดับสูงยากทั้งหมดไม่ใช่ว่ายากเฉพาะอาณาปณนะเชื่อไหมว่ากรรมฐานนี่ฝึกยาก คนนิจปรารถนาจะพ้นทุกข์เนะที่จะเจริญกรรมฐานกันเนี่ยใช่ไหมอะไรที่นั่งๆกันยู่ปาถนาจะพ้นทุกข์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นทุกกรรมฐานแต่ถ้าถามว่ากรรมฐานไหนเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงก็บอกอนาปนานสติเอาเมื่อเราเจริญอนาปนานสติแล้วเมื่อสําเร็จอนาปนานสติแล้ว เวลาจะโยกจากอนาปานสติไปสู่กรรมฐานอื่นมันง่ายหรือยากง่ายกว่าอย่างง่ายแล้วแปลว่าเราจับสิ่งที่เป็นประธานแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็จะหมุนไปได้ง่ายแล้วต่อไปจิตจะอ่อนโยนจะน้อมจิตไปในอะไรก็ได้จะน้อมจิตไปหาเมตตาก็ง่ายน้อมจิตไปหาพุทธคุณก็ง่าย น้อมจิตไปหาอสุภะกรรมฐานก็ง่ายน้อมจิตไปหาวรณสติก็ง่ายน้อมจิตไปหากรรมฐานกสินทั้งหลายก็ง่ายจะน้อมจิตไปหาธรรมานุสติสังคานุสติจาคานุสติสีลานุสติง่ายหมดเลยเพราะอาณาปานสติเป็นประธานกรรมฐานเป็นกรรมฐานหลัก ฉะนั้นเวลาจะโน้มจิตเข้าสู่กรรมฐานอื่นหลังจากสำเร็จอาณาปะณะแล้วจะไปได้ทุกกรรมฐานไม่ติดขัดเลยชอบไหมค่ะ <c oughs> ใช่ไหมล่าแม้แต่ถ้าไปนํามามันก็ชอบทีแบบนี้ใช่ไหมเอามาถึงบอกโอ้โหพอมาศึกษาฟังพระธรรมจากพจากคำสอนในพระไตรปิฎกจากคำสอนพระเจ้า <c oughs> อามาก็คว้าทันทีเลยแต่คนนี้จิตจะไปแบบ ถ้าเกิดเจออันไหนกรรมฐานอันไหนที่ที่จะทำง่ายกว่าก็อยากจะไปทำอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเลยบอกแล้วไงว่ากรรมไม่มีกรรมฐานไหนง่ายหรอกเราต้องดูก่อนว่าอานาปนาสติเนี่ยเหมาะแก่คนจริตอะไร วิตกจริตยอมรู้ไหมคนวิตกจริตเป็นยังไงประเภทคิดมากกังคืนเป็นควันกังวันเป็นไฟอยอมเป็นไหมเป็นค่ะอ๋อเนี่ย <c oughs> พุทเจ้าบอกหมอกแต่คนคิดมากอะ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมค่ะแล้วทำไมไม่เพียนพยายามทำมใช่ไหมหล่ะค่ะ อ, อัยย์พล <Huh? S 2> ไม่เข้าใจว่ากลางวันเป็นไฟกับกลางคืนเป็นควันมันแปลว่าอะไรอะะ <c oughs> ภาษาไทยไม่แข็งแรง <c oughs> คร่ะกลางคืนก็นอนคิดไม่ค่อยหลับนอนคิดเหมือนควันมันขึ้นเงคิดกรุ่นอยู่ น, ยนั่นแหละนอนก็หลับยาก กลางวันเป็นไฟโอ้โหไปสารพัดเลยวุ่นไปหมดไอ้ที่คิดไวกลางคืนเนี่ยคิดเยอะจัดแล้วมันก็ไม่ได้วางแผนเป็นไปตามลำดั บ, ด, บด้วยพอกลางวันก็วิ่งลุกลี้ลุกลนสับสน บาที่จะทำเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นสรารพาัดเหมือนคนทุกวันเนี่ยเป็นงั้นนะพวกกลุ่มวิตกจริตเนี่ยคิดแล้วไม่ค่อยได้ทําคิดเยอะไอ้ที่ทําจริงนิดเดียวเป็นอย่างนั้นไว้แล้วคิดเยอะหมดอีกกลุ่มหนึ่งคือโมหจริตใครบอกอะไรเชื่อหมดใครบอกอะไรเชื่อหมด ไม่ค่อยเอาเหตุเอาผลอะไรหรอกเชื่อง่ายเออในสองจริตเนี่ยมาเจริญอาณาปาณะนะเมื่อเจริญอาณาปณะนะจะตัดวิตกได้แตนะเข้าจะกลายเป็นวิตกจะค่อยสงบลงจิตจะวิต ก, กจะเริ่มหมดไปกามวิตกก็จะหมดพยาบาทวิตกก็จะหมดวิหิงสาวิตกก็จะหมดการวิตกตรึกในเรื่องกามอยู่นั่นแหละคิดในเรื่องกามอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอยากจะไอสารพัดหมดแหละ พยาบาทวิตก็คุณเทรียดวิตกกังวลตมหนิโกรธคนนั้นโกรธคนนี้วิหิงสาวิตกก็คิดเบียดเบียนไอ้ใครที่เราไม่ชอบเบียดเบียนหรือเมื่อไรจะพ้นพ้นไปเมื่อไรจะตายตายไปอะไรสารพัดเนี่ยไอ้วิตกเหล่านี้ยหมอกในการเจริญนานาบานะเป็นไหมมีการมากาวิตกั้มอยากได้อะไรเยอะๆเป็นไหมเป็นไม่เป็น เออเนี่ยจเจริญอานาปณะดีพยาบาทวิตกคิดโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เป็นไหมบางทีก็เขาว่าแค่ครั้งเดียวก็มาคิดอยู่นั่นแหละหมุนคิดอยู่นั่นแหละเขาตำหนิอยู่ครั้งเดียวนำะมาคิดเป็นร้อยร้อยรอบพันรอบสองปีสามปียังไม่ลืมเลยแกเป็นไหมเออนี่ยพวกกลุ่มพยาบาทวิตกเนีย่ยต้องจเจริญอานาปนะถึงจะแก้ได้ อยากจะหายไหมโลกนี้ที่เป็นเนี่ยเอออยากหายใเจเิยนานาปันะนี่เป็นธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เชื่อมั่นได้ยังตอนเนี้ย <c oughs> อา้าวยังไม่หมดอีกเรื่องหนึ่งวะเนี่ยอา้าวหมดแล้วมั้งหมดแล้วเหลือสิบนาที เหลือสิบนาทีมีใครจะถามอะไรไหมอา้าวรีบถามเสียเดี๋ยวจะได้ปฏิบัติกันต่อได้อาเชิญโน่นอยู่โน่นข้างหลังโน่นเออนี่ก็มีโน่นก็มีโอ้สองคนสามคนนะ เ, เดี๋ยวเอารีบเร่งถามเลยเอา้าว อาแล้วไปทั้งโน้นดยข้างหลังโน้นกับนมัสการพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, ะคือเวลานั่งเนี่ยจะชอบเมื่อยค่ะแล้วมันก็จะยุกอีกยุกอีกค่ะอะไรนะเวลานั่งจะรู้สึกเมื่อยแล้วก็จะยุกอีกตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อยตรงไหนเมื่อยขาค่ะเมืเอ่อยขาเออก็เลยจะไม่นิ่งอย่างเงี้ยค่ะจะจะทำํำยังไงดีค่ะเออตรงนี้คือส่วนตัวเราเคยเล่นกีฬาเราเอ็น เอ็นกำลังรักษาเอ็นที่ขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมีผลหรือเปล่าคะมีโรคที่ขามันเหมือนมันจะเจ็บข้างขวาเพราะว่าเหมือนทํารักษาเอ็นอยู่อย่างเงี้ยอ๋อคืออย่างงี้เออถ้าหากว่าเรานั่งแล้วอาจจะมีสุขภาพทางด้านรูปกายโดยเฉพาะขาของเราเนี่ยนะมันมีปัญหาการนั่งอาจจะลําบากตรงนี้ก็ต้อง ถ้าเป็นสมมุติว่ามันนั่งกับพื้นลำบากนั่งเก้าอีด้ดูนะนั่งเก้าอี้เพื่อผ่อนคลายใหม่ๆจะเป็นแบบนี้แหละในขณะที่ยังเดินเข้าสู่สมาธิไม่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความทุกข์และทุกขเวทนาเยอะเอาอย่างนี้ยอมฝึกอย่างนี้ดูนะยมเคยไม่สนใจใครหัหย นั่นแหละทําอย่างนั้นแหละเหมือนว่าเราเหมือนคนคนนี้อยู่ในห้องนี้แต่เราไม่สนใจอะ่ะไม่สนใจขาตัวเองไม่สนใจเพราะเรากําลังใส่ใจที่ลมเข้าแล้วออกให้วางเฉยกับขาที่มันปวดแต่ให้ใส่ใจที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นทั้นที่สุดจริงๆเมื่อกําลังของสมาธิเริ่มแข็งแรงขึ้นกําลังของสติระลึกมั่นมากขึ้น กำลังของความเพียรมีการประคับประคองที่เหมาะสมมากขึ้นไม่เพียรจัดจนเกินไปแต่ประคองและก็มีความรักความอย่างแรงกล้าในพระรัตนตรยัยในพระเจ้าเป็นต้นเชื่อมัน่นว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาาปานสติสมาธินี่แหละตอกย้ำตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกไปก็ประสบความสำเร็จพะจิตเป็นสมาธิ ไอข้ขาปวดก็จะหายก็จะเริ่มเย็นทัง้งหมดใหม่ๆเป็นแบบนี้หมดแต่เหมือนเคยปฏิบัติครั้งหนึ่งที่เคยไปลงคออะคะ่ะคือตอนนั้นไม่เคยทำแต่ก็สามารถเหมือนกับเหมือนกับไ ม, ไม่ไม่นิดรู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่านั่นแหละฝ<อ>ึกไป เ, เรื่อยๆเพื่อสมาธิมีกำลังก็ข่มเวทนาได้ไม่ยากอา้าวข้างหลัง อาเชิญฮัลโหลค่ะนรมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากทราบ ว, ว่าพระอาจารย์บอกว่าอาณาปณสติเนี่ยเป็นกรรมฐานหลกักแล้วคือการกําหนดลมหายใจเข้าออกค่ะเราอยากทราบ ว, ว่านอกจากอิริยาบถอื่นอย่างเช่นแบบการกินการหลับดูรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกําหนดด้วยไหมคะหรือ<ม>ว่ากําหนดแค่ลมหายใจเข้าดูออลอมอย่างเดียวเบื <S <S ้องต้นเป็นอย่างนั้นก่อน ยังไม่ต้องไปใส่ใจอย่างอื่นเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวในขณะรับประทานอาหารอาการสํารวมอย่างอื่นตามมาหมดเลยเพราะว่าเห็นไหมความไปยินดีพอใจในรสก็จะน้อยลงความไปใส่ใจหรือไปสนใจเรื่องอื่นก็จะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้กรรมฐานที่เป็นหลักใหญ่คือการเจริญเราเข้าสู่คอร์สอนาบานาสติและเราต้องการฝึกจนให้เกิดความคุ้นเคยจริง ถ้าเราไม่ฝึกแบบนี้ให้เกิดความคุ้นเคยนักเข้านัเข้าเราจะไปฝึกศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เลยนั้นตอนเนี้จะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยให้จิตมีเครื่องอยู่ให้จิตมีที่อยู่นั้นเราจะเอาอาณาปานสติสมาธินี่แหละเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยเฉพาะใจของเรามันจะวิ่งไปทั่ววิ่งไปหาสีเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมอารมณ์ ไปหาบ้านหาทราบหารถหายาดมิตรวิ่งไปทั่วเลยตอนนี้เราจะใช้สติประดุดดังเชือกผูกจิตประดุดดังลูกวัวเนี่ยโวัวมันลูกวัวเราต้องการจะภาคภาคลูกวัวขี้โกงโดยเนี้ยที่มันดื่มน้ำนำนำนมทุกหยดจากแม่โค ข, ขี้โกงนี่แหละเราจะภาคออกจากแม่ไม่ให้กินนมเราต้องการให้ยานมจิตของสัตว์โลกเนี่ยเหมือนกับมันติดติดกาม มันภาคออกจากกามยากมันก็วิ่งไปหากามวิ่งไปหาสีเสียงกินรสผลิต ภ, ภาณอดีตบ้างอนาคตบ้างวิ่งไปหาเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะใช้สติเป็นเชือกผูกอะไรผูกจิตมามัดไว้ที่หลักคือลมจากนั้นแม้แต่จะไปกินอาหารเราก็จะผูกไว้แม้แต่การเข้าห้องน้ำเราก็จะผูกไว้แม้ทากิจอะไรเราก็จะผูกไว้กับลม แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนักเข้านักเข้าก็จะคุ้นเคยงั้นพอทําอย่างนี้จะประสบความสําเร็จทุกคนแม้มันนั่งแต่นี้จะมั่นคงแล้วนัเข้าก็จะกลายเป็นเริ่มตั้งมัน่นเริ่มสงบไม่ไมโอ้โหมันดิ้นมากดิ้นแล้วก็ผูกไว้เชือกไม่ขาดกลัวอะไรใช่ไหมอันที่ดิ้นเรื่องอื่นดิ้นไปสิอยากดิ้นไปไหนดิ้นไปแต่ก็กลับมาอยู่ตรงนี้แหละ นักเข้านักเข้าก็าจะมายืนชิดติดกับหลักนั่นแหละไอ้วอัวโดนนั่นแหละเขาไปไหนไม่ได้แล้ววิ่งวนไปก็วนดีเชือกมัดไว้อะใช่ไหมจิตเหมือนวัวดือ้อสติเหมือนเชือกลมเหมือนหลักนี่เราไปลมไม่ใช่วิ่งไปทั่วอย่างนี้นะหลักต้องปักไว้ทั้งจุดใดจุดหนึ่งก็คือจุดกระทบไม่ใช่วิ่งปักข้างล่างทีข้างบนทีใช่ไหมปักที่จุดเดียวนั่นแหละก็จุดกระทบนั่นแหละ แล้วนักเข้าก็มัดใช้สติมัดจิตเขาไว้ผูกจิตเขาไว้มามัดกับหลักก็วิ่งไปโดดไปสักพักนึงนักเข้านักเข้าจะวิ่งไปไหนได้ไหมจิตไม่ไปแล้วเพราะถูกเชื่อคือสติผูกไว้และลึกไว้อย่างมั่นคงนักเข้าก็จะไปยืนชิดติดกับหลักการเจริญอาณาปณะสติเป็นกรรมฐานที่เจริญง่ายไม่ใช่ยากอย่างที่คิดใหม่ๆก็ดิ้นรนเป็นเรื่องปกติ แต่เราอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลมันไปก็ดึงกลับไปก็ระลึกใหม่อย่างหงุดหงิดกับเขาเบื้องต้นเราจะทำภายในวันเดียวให้สำเร็จปร ะ, ประสงค์มันไม่ใช่ง่ายแค่ยอมไปหัดขับรถเนี่ยวันเดียวยังยากเลยแต่ยอมชอบไงยอมเห็นประโยชน์ไงจึงกล้าที่จะลงทุนไปลงมขับทั้งๆ ท, ท, ที่เสี่ยงกับชีวิตยังกล้าเลย ขับรถออกถน น, นเสี่ยงจะตายไปยอมกล้าได้งไงอ่ะขับขึ้นสะพานนยอมกล้ายัางไงขับขึ้นเขายอมกล้าได้ยังไงไม่กลัวตายเลอแต่ยอมเห็นประโยชน์ไงแล้วอาณาปณะสตินั้นได้ประโยชน์กว่าขับรถอีกทําไมไม่เอาไม่เห็นต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างนั้นเลยใช่ไหมเออนั่งอยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องวิ่งไปไหนด้วยแล้วมีความสุขด้วยนั่นจะคิดก็คิดไปสิแล้วก็กลับดึงมาใหม่ เพลอก็ตั้งใหม่เผอก็ตั้งใหม่มันจะเผอสักล้านรอบแล้วก็ตั้งล้านรอบไม่เห็นเป็นไรเลยก็เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่จะรีบไปไหนทําไมจะต้องการสงบขนาดนั้นถ้าถ้าฝึกอนาปาณสติแบบอย่างได้ได้ดีแล้วนะคะคือจะจะควบคุมไปถึงการดูจิตด้วยอย่างอย่างนั้นใช่ไหมคะ คือแบบบางทีบางทีว่าการดูจิตนี่คือแบบถ้าเกิดว่าเราทําอะไรก็จะรู้อย่างโมโหก็จะรู้ว่าเราโมโหอะไรอย่างเงี้ยจะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของของอาณาปานาสติหรือเปล่าคะก็บอกแต่ที่แรกเรียกว่าอาณาปานาสตินี่เป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงเมื่อเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นที่เป็นสมณนาคต่จิตจิตที่ครบด้วยองค์8 หนึ่งสมาหิตะจิตตั้งมั่นสองรสบริสุทธิาเนี่ยจิตบริสุทธิ์เป็นต้นจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วเป็นกรรมนิยะควรต่อการงานจนมีความตั้งมั่นได้จนถึงมีความตั้งมั่นเป็นอุปจาระหรืออัปนาแล้วเนี่ยฉะนั้นเวลาจะน้อมจิตไปเพื่อรู้อะไรเนี่ยมันจะชัดแต่ตอนนี้จิตของโยมไม่สะอาดเป็นจิตที่สกปก ยังมีของเสียเต็มไปหมดน้อมไปไม่ไปหรอกที่โยมบอกว่าให้ไปรู้โกรธรู้ไม่โกรธรู้โลภรู้หลงเนี่ยไม่รู้จริงอ่ะไม่ทันหรอกจะไปทันได้ยังไงมันโกรธไปแล้วและไม่เห็นความโกรธด้วยแต่ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิจากการฝึกอานาปนสติแล้วเนี่ย ยอมจะสามารถไปละลึกเห็นความโกรธแล้วเห็นองค์ประกอบของความโกรธและแยกในส่วนประกอบของความโกรธได้ทุกส่วนด้วยว่าส่วนนี้คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอขะกขคตาจะแยกรายละเอียดปีกย่อยในของความโกรธได้แล้วรู้โดยความโกรธนันมาจากอะไรถอนรากของความโกรธได้อย่างหมดจดและอย่างสิ้นเชิงด้วย แล้วก็สามารถปิดกัน้นจะไม่ให้ความโกรธเกิดอีกต่อไปน่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปก็ได้ด้วยขนาดนั้นแต่ตอนนี้อยอมทําไม่ได้หรอกที่ไปให้รู้จิตรู้จิตเนี่ยเพราะโยมไม่มีสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่ใช่หรือบอกว่าสมาธิงพิกเวบาเวตาสมาตัวยาถาภูตังประชานาติบอกดูก่อนพิกษุร ท, ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิ เธอทั้งหลายจงฝึกจิตของตนเองให้ได้อุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิเถิดภิกษุที่ได้อุปจารสมาธิคือจิตที่จวนจะแน่วแน่และอัปนาสมาธิจิตที่แน่วแน่ถึงอัปนาอย่างชัดเจนแล้วข่มนิวรธรรมได้แล้วจิตที่สามารถข่มนิวรธรรมได้แล้วอย่างนี้แหละที่จะน้อมจิตไปเพื่อรู้ทุกขสัจตามความเป็นจริงได้ ที่จะไปรู้โลภะก็ได้รู้โทสะก็ได้รู้โมหะก็ได้รู้มานะทิฏฐิวิจิกิจฉาก็ได้รู้หิริิกะความไม่ลาอายต่อบาปอโนตตะปาความไม่เกรงกลัวต่อบาปก็ได้แล้วรู้ทั้งองค์ประกอบของเขาว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบที่ทําให้โลภะโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญไปบูน ย, ยิ่งขึ้นด้วยและที่สุดจริงก็จะสามารถยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วกละได้อย่างเด็ดขาดถอนรากถอนโคนเขได้ด้วย แต่ที่เธอทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะจิตไม่มีสมาธิฉันต้งบอกว่าอาณาปณะสตินี่เป็นประธานกรรมฐานทั้งปวงเมื่อฝึกอาณาปณาสติจนสาเร็จแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อกรรมฐานอื่นไม่ยากแล้วจะน้อมไปเมตตาก็ง่ายน้อมจิตไปเพื่อพุทธคุณก็ง่ายธรรมะคุณก็ง่ายสังฆคุณก็ง่าย สีลานุสติก็ง่ายจารคานุสติก็ได้ก็ง่ายหรือไปเจริญเจตุธาตุวตฏฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรเนี่ยสามารถเดินไปได้หมดเลยทุกกรรมฐานตามความสามารถตามเวลาที่จะพึงมีนี่เป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจอย่างเดี๋ยนี้น อ่ะตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะเออเดี๋ยวเรามีเวลาไปกันเนี่ยสามทุ่มนี่นะเราจะต้องไปพักผ่อนกันก็จริงอยู่นะแม้แต่การเดินไปการไปเข้าที่นอนการทากิจส่วนตนก็อย่าลืมดูลมเข้าและออกฝึกให้ต่อเนื่องแล้วจะได้มีเรื่องราวต่างๆมาเล่า ให้ครัวจานฟังถ้าไม่ฝึกมันจะไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในตนใช่ไหมเช่นเราแค่มาฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยมันได้แค่ฟังได้แค่สุตตะแต่ไม่ไม่ได้ปาถนาแค่สุตตะอย่างเดียวนะให้เราไปฝึกกันแล้วก็วางกรรมฐานอื่นทั้งหมดตอนนี้เราต้องการ่าฝึกกรรมฐานหลัก แล้วก็เป็นมรดกที่พระเจ้าทรงฝากไว้ให้กับพวกเรานี่แหละเอาไปฝึกให้ต่อเนื่องเรามีเวลาน้อยกันมากนะใช่ไหมเนี่ยนี่ผ่านไปแล้วในวันแรกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ฟืดฟืดฟื ด, ฟดแป๊บเดียวหมดแล้วแล้วนักเข้านักเข้าอี๋เราไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยจะเสียโอกาสจะเสียโอกาสเอาล้วหมดเวลาแล้วเราละสาธุ ก็ขอให้ตั้งใจเจริญกรรมฐ า, านและประสบความสำเร็จกันทุกคนนะ